ผู้ทว่าสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีนาพงศ์นะคะมาพร้อมกับรายการสันสนีสนทนากันเป็นประจำทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106แห่งนี้ค่ะเช้าตรู่เป็นเวลาดีสำหรับการที่เราจะประกอบการดีเป็นการเริ่มต้นและการดีที่อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาประกอบกันก่อนที่จะเริ่มต้นวันนี้ของท่านก็คือการที่มาเสรรมฟังรม และเหนือสิ่งอื่นใดช่วงต้นของรายการหลังจากนี้ไม่กี่วินาทีนี้ น, นะคะก็จะเชิญท่านให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันภายใต้การนำของพระภัยบูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีซึ่งจะมาให้ธรรมะกับเราตลอดรายการด้วยเราไปกันเลยนะคะพบกับพระภัยบูรณ์อภิปุนโนคะ่ะกราสนมสการค่ะท่านคะเชิญพอนในเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะเริ่มต้นกันในแต่ละ ช่วงเวลาที่เราฟังทำนาฬกานี้เนี่ยก็ให้ท่านผู้ฟังมาตั้งสติเอาไว้ในโดยการเอาใจจดใจจ่อในอยู่กับลมหายใจของเราแต่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแต่การเอาใจจดใจจ่อ น, นั้นให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติในโดยการรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในที่อยู่ด้านในโพรงจมูกเพราะเวลาที่ลมมากระทบไม่ว่าจะกระทบผิวกายของเราจะเป็นผิวหน้าผิวแขนเนี่ย เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นลมพัดลมหรือลมแอร์ก็ตามแต่แทบกับว่าลมนี้มันเคลื่อนเข้าไปในร่างกายนะผ่านทางโพรงจมูกแล้วเนี่ยในโพรงจมูกของเราก็จะมีเนื้อเยื่ออะไรต่างๆที่ละเอียดอ่อนอยู่เยอะแยะแนะเราก็สามารถที่จะรับรู้ถึงการกระทบของลมนั้นที่ตำแหน่งนั้นๆได้แตนะ่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นในะเวลาที่เราดมกลิ่นของหอมของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่ น, อ า, นอาหาร เราจรับรู้ถึงกลิ่นนั้นได้ที่ตรงไหนนะเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นก็ได้การที่เราตั้งจิตไว้ตรง ท, ที่นั่นนั่นะชื่อว่าเราตั้งสติขึ้นลนะนัจิตม่อยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่นะสติตั้งขึ้นทันทีนะ่สติที่ตั้งขึ้นแล้วอย่างนี้นะัให้เรามาพิจารณาตามนะใช้สติสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยในการพิจารณาใกล้ครูนธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้ดีแล้ว นะซึ่งเป็นลำดับขั้นตอนความเป็นเหตุเป็นผลอยู่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ําฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทําซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ก็ย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วก็ย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วก็ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วก็ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วก็ย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มปีกษจทั้งหลายอาหารแห่งมหาสมุทรสาครนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นก่าวคือการคบกับสัป บ, บุรุษอันเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการได้ฟังพระสัธรรม ให้บริบูรณ์การได้ฟังพระัธรรมเมื่อเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำโยนิโสมานสิการให้บริบูรณ์เมื่อโยนิโสมานสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ เมื่อความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการสมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เมื่อการสมรวมอินทรีย์ทั้งหลายบริบูรณ์แล้วย่อมทำสุจริตทั้งหลาย3ประการให้บริบูรณ์เมื่อสุจริตทั้งหลาย3ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลาย 4ประการให้บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโภโชฌทั้งหลาย7ประการให้บริบูรณ์เมื่อโภชฌทั้งหลายเจ็ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์พิสุทธิ์ทั้งหลายอาหารแห่งวิชาและวิมุตต์นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แหละนี่คือลําดับขั้นของการปฏิบัติที่เราสามารถทําได้เช่นกันค่ะปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารของวิชาและวิมุตติปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารของวิชาและวิมุตติให้ท่านแปลเลยได้ไหมคะอันนี้เป็นชื่อเรื่องอันนี้เป็นชื่อเรื่องที่ท่านพุทธทาสนะท่านแต่งขึ้นมาน ะ, ะนากรารมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือ ลักษณะของการที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นว่าเรากินข้าวเราต้องถ่ายอุจจาระนนี้การถ่ายอุจจาระเป็นผลของการที่คุณกินข้าวแน่นอนคุณมีแขนขาคุณก็ต้องมีการยืดหน่อของข้าวมีท้องก็ต้องมีการกินการถ่ายการกินการถ่ายเป็นผลของการที่มีท้องอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นธรรมดาเป็นเหตุเป็นผลอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองปฏิจจสมุปบาทคือทำที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ค่ะเป็นแค่นี้ความหมายแค่นี้ง่ายๆไม่ยากค่ะเอ่อแล้วก็เรื่องของตรงนี้ที่ยกตัวอย่างที่ท่านพระพุทเจ้ายกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยทำให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วการที่เราจะไปสู่วิมุตตหลุดพ้นนะมีวิชาแจ่มแจ้งอ่านะมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราครบคนดีนะคบคนดีได้ฟังธรรมนาะมีศรัทธาปฏิบัติไปเรื่ อ, อย นะเหมือนน้ําที่ตกลงบนภูเขานะตกอยู่ที่เชียงใหมน่นูนะ่นโอ้โหทํากรุงเทพให้น้ำท่วมได้อย่างนี้ไปต้นนะมันน่าอัศจรรย์นะมันเป็นขั้นเป็นตอนมาเรื่อยๆร่อเริ่มต้นที่คบคนดีก่อนใช่นะระดับขั้นเป็นอย่างนั้น อ, อันนี้แต่มาต้องเปรียบเทียบกับนิด น, นึงก่อนนะสมมติว่าเ อ, อฝนที่ตกลงบนภูเขาเนี่ยอยู่บนภาคเหนืออย่างเงี้ยนะเวลาที่เขาเก็บน้ำนะเขาเก็บที่หน้าเขลือนใช่ไหม ฝนเนี่ยไม่ได้ตกที่หน้าเขื่อนด้วยซ้ำไม่ได้ตกที่สันเขื่อนแต่ตกนู่นไกลมากนะบนภูเขาขึ้นไปอีกนะสันเขื่อนก็ค่อยเก็บน้ําเก็บน้ําเอาไว้นําปล่อยมาแม่น้ําน้อยเต็มบึงน้อยเต็มบึงใหญ่เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าฝนต้องตกไม่หยุดนะนะฝนก็ตกเรื่อยเรืตกเรื่อยนะแม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่จนมหาสมุนมันก็เต็มขึ้นมาได้นะเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันการที่เราปฏิบัติเป็นลําดับขั้นอย่างเงี้ยนะไล่มาตั้งแต่การคบคนดีบ้าง การมีศรัทธาการมีศีล น, นะบางนัยยะก็พูด อ, อีกเส้นทางหนึ่งน ะ, ะซึ่งถ้าตรงเนี้ยเราก็ทําเป็นขั้นๆไปนะทำเป็นขั้นๆไ ป, นะ ป, ไปแต่ที่เราทําได้แล้วนะอย่าไปหยุดให้ทําต่อไปเรื่อยๆอันนี้สําคัญนะค่ะคือบางคนคิดว่าฉันได้ตรงนี้แล้วฉันก็หยุดแล้วไปทําอย่างอื่นนะเช่นว่าคุณได้สมถะแล้วคิดว่าจะทําวิปัสสนาก็เลยหยุดทําสมถะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะสมถะก็ต้องรักษาไว้แล้วก็ทําวิปัสสนาเพิ่มอย่างนี้ นะถึงจะถูกต้องนะซึ่งลําดับขั้นตรงนี้คิดว่าซ้ําให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเนอะเป็นลําดับขั้นของธรรมะซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะง่ายๆอย่างเช่นว่าเราครบคนดนะีคนดีเนี่ยเราดูได้ไงว่าเป็นคนดีคุณโยมติ๋วจะดูได้ไงคนนี้เป็นคนดีคือป <c oughs> กติคนดีเนี่ยผู <c oughs> ้เรียบอกว่ามีเครื่องหมาย <c oughs> เครื่องอ้างอิงของคนดีอยู่นะคำว่าสับบุตรเนี่ยแปลว่า <c oughs> คนดีนะคือมัอนก็ติดอยู่ที่หน้าผากเลยแหละฉันเป็นคนดีใช่เป็นคนดี นะเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีเนี่ยดูที่3อย่างหนาขึ้นะ ค, 1, คนดีเนี่ยมักจะพูดคําพูดที่ดีนาะมักจะทําการกระทําที่ดีมักจะคิดความคิดที่ดีเอาละไการพูดที่ดีเนี่ยมันเะป็นยังไงนาก็ไม่โกหกไม่เวอร์เจอไม่ส่อเสียดไม่คําหยาดนาะแล้วการกระทําที่ดีเป็นยังไงหนาะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ระพรุกิในการมนาะความคิดที่ดีเป็นยังไงหนาะก็ไม่พยาบาทไม่มีความเพ่งเลงแลนะมีสัมมาทิฏฐิแค่นี้เอง นะลักษณะของคนดีดูที่อย่างนี้นะัคือเขามักจะทําการกระทําที่ดีอาจจะมีส่วนเสียของเขาบ้างแต่ก็อย่างน้อยอยูนะ่ส่วนดีมีมากกว่านะเราดูได้ตรงนี้แสดงว่าคนนั้นเป็นคนดีเราครบเลยหรือว่าอีกนยัยยะหนึ่งก็ดูได้จาก4อย่างนะคือเรื่องของศรัทธาศีลจาระปัญญา4ี่อย่างนี้นะถ้าก็มีคุณธรรมสอย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นสัต บ, บุรุษเป็นคนดีละเราครบกับเขาได้นะพอเราครบกับคนดีผลจะเกิดกอะไรขึ้นนะเราจะได้ฟังธรรมะอันนี้สําคัญ อะไรที่เป็นธรรมะแล้วก็สิ่งดีๆที่ผู้ชอบประกาศไว้แล้วถ้าคนก็มีศีลเขาก็จะพูดเรือ่องศีลก็มีศรัทธาเข า, า, า, เขาพูดเรือ่องศรัทธาแลเราก็ได้ส่วนที่ดีๆตรงนี้มาด้วยในการฟังธรรมนี่อาจจะได้ฟังจากตัวเขาเองหรือว่าเขาจะชักชวนเราไปหาคนอื่นได้ฟังธรรมอันนี้ได้ทั้งนั้นอพอเราได้ฟังธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยนะคุณโยมที่เราจะมีความมั่นใจแต่ความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธา น, นั่นเองคือเราได้ฟังของดีๆของถูกต้องเนี่ย อย่างที่เรามานำเสนอในาการนี้เป็นต้นเนี่ยนะท่านฟังก็จะมีความมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่งว่าโอ้จริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเหลวไหลนะพระเจ้าแสดงธรรมอย่างมีเหตุอย่างมีผลนะแล้วก็ปฏิบัติได้เอง เ, ออเห็นได้จริงในเวลานี้เราก็ทำได้อันนี้คือลักษณะของธรรมะละแสวงว<ช>่าคุณจะมีศรัทธาเกิดขึ้นรมีความมั่นใจมีศรัทธาเนี่ยเราก็จะมีการทาในใจโดยแยบขาย นะการทำในใจโดยแยบคายเนี่ยคือ เ, เอามาใคร่ครวญพิจารณาแล้วเอ้ยนี่มันทนต่อการเพ่งพิสูจน์แฮะนะจริงๆด้วยนะถ้าเรามีศีลเราจะมีความไม่ร้อนใจอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามีศีลมีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะมีปีติปราโมทย์เออมันจริงอย่างนั้นแฮะนะเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโจทย์เราฟ้องเรานะหรือว่าเรานอนอยู่บ้านเราก็เป็นสุขขึ้นมานะอ่านี่คือลักษณะหนึ่งหรือถ้าในทางตรงข้ามถ้าเราไปโกโหกนะเราก็จะ กลัวว่ามีคนจะจับได้หรือต้องไปโกหกซ้ําอีกมันก็ทำให้เรามีความร้อนใจอันนี้เห็นได้ชัดเจนอันนี้คือลักษณะของการโยนิโสมนัสิการที่เป็นตัวอย่างให้พิจารณาได้เพราะคนที่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยจะสามารถทําสติสัมปชัญญะให้บริบูรณได้สติสัมปชัญญะอย่างที่เราฝึกตั้งแต่ตอนแรกตอนต้นรายการโดยการมีสติในลมหายใจนี่นะคุณหยมถิว อ่มันเป็นผลของการที่เราทำในใจโดยแยบคายมันมาได้ไงมันเกี่ยวกันยังไงตรงนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราใคร่ครวนธรร ม, มะเนี่ยใครครวนธรร ม, มะไม่ว่าจะบทใดบทหนึ่งก็ตามนะแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่นะเออนะซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายนี่พระเจ้าไล่มาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอริยสัจวีอ่เป็นเรื่องของนิร์ห้า นะสติปัฏฐานสโพชง7มาก8แม้ว่าคุณจะใคร่ครวนบทไหนเนี่ยก็จะอยู่ในจิตเราก็จะอยู่ในธรรมะนี้หมดนะก็จึงเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแน่นอนนะการใคร่ครวญตรงนี้ก็จะทําให้เรามีสติแล้วพอมีสติบริบูรณ์แล้วนะก็จะทําให้มีการสรํารวมอินทรีย์นะใจของเราเนี่ยคือสติเนี่ยเป็นที่เริ่มไปสู่จิตใช่ไหมจิตขอไปจิตเป็นที่เริ่มไปสู่สตินะจิตที่มีสติรักษา น้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะได้รับการปิดกั้นจากอะไรจากสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นอกุศลธรรมนะก็ชื่อว่าเราปิดกัน้นอินทรีย์สังรุมอินทรีย์นะพอเรามีการสังรุมอินทรีย์นะก็เวลาที่เราจะกระทําใดๆก็ตามทางกายวาจาใจเนี่ยก็จะออกมาเป็นสิ่งที่เป็นสุจริตทั้งสิน้นนะก็เรียกว่าสุจริต3อยา่างคือสุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาพอเป็นอย่างนี้แล้วนะสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการ เราก็จะบริ บ, บูรณ์ตรงนี้สติปัฏฐาน4ประการกับสติสัมปชัญญะที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคุณโยมที่อ่ะสติสัมปชัญญะที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยคืออยู่ในอริยบท ต, ต่างๆในอริยบทต่างๆ เ, าเช่นว่ากินดื่มพูดคิดอนอนเข้าห้องน้ํารับประทานอาหารเปลีย่ยนเสืาพพวกนี้แล้วเราจะรักษาสติมีที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตได้แตแล้วไอสติปัฏฐาน4ตรงเนี่ย นะคือสติที่จะเป็นไปเพื่อวิมุตละ่นะจะจ่ออยู่ที่จะทําให้โพชฌงค์ทั้ง7มันเกิดขึ้นได้พอชฌงค์เแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะที่เมื่อจิตดวงใดดวงหนึ่งประกอบเข้าแล้วจะทําให้จิตนั้นก้าวพร้อมที่จะก้าวลงสู่วิมุติได้นะก็จะเป็นลำดับขั้นอย่างนี้มันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะที่คิดว่าการที่พระเจ้าเน้นคำว่าบริบูรณ์เนี่ยเาจมาต้องทําความเข้าใจนิดนึงสมมุติน้ําหยดหนึ่งหล่ลงบนภูเขา S <S นะความมันจะไหลมาถึงทะเลเนี่ยมันต้องใช้เวลานะมันต้องตรงนั้นเต็มก่อนนะตรงนั้นเต็มก่อนไอความบริบูรณ์ตรงเนี้ยคือหมายถึงตรงนั้นนะบริสุทธิ์อย่างสมมติน้ําหยดหนึ่งบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าน้ําหยดหนึ่งเนี่ยคุณจะเอาไปพกไปเดินทางไกลมันไม่พอมันต้องขอน้ําบริสุทธิ์เนี่ยสัก1ขวดลิตรถึงจะเอาเดินทางไกลได้ซึ่งไอคําว่าบริบูรณ์เนี่ยคือทําให้มากพอที่มันจะเป็นไปอันต่อไปได้นี่คือประเด็น ก็เป็นเรื่องของการที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าทําเหล่านี้เหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จเจริญในธรรมขั้นสูงสุดได้ใช่ค่ะแล้วไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนนะคือเรามาเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ทําสุดจริตสอย่างได้แล้วนะเช่นว่าฉันก็มีรักษาความความดีทางกายทางวาจาใจพอได้ นนนะสนะนน่่่วใหญจเป็อยางี้แสดงว่าคุณเนี่ยกำลังเดินทางมาถึงถึงจุดที่เรามีสุจริตสละแสดงว่าเราเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์ได้พอสมควรนะได้บริบูรณ์พอระดับที่จะทําให้มันเกิดสุจริตสได้นะแสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีศรัทธาได้ฟังธรรมมีเพื่อนดีพอสมควรที่จะทําให้มันเกิดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ได้นะแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปคบคนชั่วหรือเราจะไป ผลเลยสติก็ไม่ได้เราก็ทําตรงนั้นต่อนะ ต, ตรงนี้เราก็ทําด้วยทํามากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาสี่ก็จะเกิดขึ้นได้ทันทีนั่นก็เป็นขั้นเป็นตอนไปคอันนี้เป็นเป็นที่ทําให้มั่นใจได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเอจิตถ้าเราเป็นอย่างนี้มันจะโน้มน้อ ม, อมเอียงเทไปสู่นิพพานได้แน่นอนนะครับก็ไม่ต้องเครียดคลัดมากแต่ให้รู้เอาไว้อแอ้อถ้าเครียดคลัดมากเนี่ยมันจะไปสะดุดตรงนี้ เนะี่ยมันจะไปสะดุดตรงจุดที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะตรงนี้มันจะสะดุดเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะทรงสติได้ในอริยบทนั้นๆที่เรามีความเครียดกรานนั่นเองค่ะทีนี้อย่างในกรณีที่ทุกคนซึ่งฟังรายการนี้อยู่ก็ต้องอยังทำงานทำการเกือบทุกคนนะนะคะใช่ยังอยู่ในวัยที่ต้องทำงานทำการกันอยู่แล้วก็อาจจะบอกว่าไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดต้องวิมุต ห, หลุดพ้นเอาแค่ว่า ออกจากบ้านแล้วจะไปที่ทำงานเนี่ยจะใช้ปฏิจจสมุปบาทของท่านให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรในของจริงๆดีกว่าคะ่ะเช่นว่าสุจริต3ามอย่างนะอันนี้เราใช้ได้จริงๆแน่นอนนะกายวาจาใจอันเป็นสุจริตนะคือพูดดีคิดดีทำดีนะพูดก็คือไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอ่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะคิดดีก็คิดไม่พยาบาทคิดไม่เพ่งเลงนะคิดไม่เป็นมิจฉาทิฐิ นะการกระทําก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไมระี้ยวผิดในการมถามว่าถ้าเราทําแค่นี้นะเราทําแค่นี้คุณไปที่ทํางานเนี่ยคุณจะไม่ถูกคนอื่นเขาโจดว่าเฮ้ยคุณพูดโกหกนีนะ่หรือคุณด่าคนอื่นหรือคุณฆ่าสัตว์คุณจะไม่ถูกเขาโจดนะคุณจะมีความสบายใจข้อนี้สิบข้อนี้แน่นอนนะคือ3อย่างนี้แน่นอนอันนี้เรารู้สึกได้เลยอนะันี้เป็นอันนี้สรงที่เห็นได้ทันทีในะวินาทีนี้จากการที่คุณรักษาตรงนี้นะเราจ ะ, ะสบายใจละนะอันนี้ข้อที่1 ค่ะคือเหมือนกับว่าเราก็คล้ายๆหากจะยังไม่เชื่อถึงขนาดนี้แต่ว่าหลักธรรมนี้มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันแน่นอ น, น, น, อนก็ลองไปใช้ดูก็แล้วกันว่าทำให้เรานั้นมีสุจริตใช่ไหมคะท่านใช้คานี้ใช่สุจริตสุจริตทางด้านกายวาจาใจจริงๆแล้วบางคนก็จะบอกว่าการทำเนี่ยสำคัญมากคือบางทีพูดๆกันอยู่ เลยบางคนให้ความสําคัญน้อยกับเรื่องพูดนะคะก็บอกว่าพูดมันก็สายแต่พูดนะ <c oughs> มันไม่เห็นจะเสียหายอะไรมากมายเลยมันสู้ลงมือเอาไม้ตีหัวปืนไล่ยิงเอาระเบิดไปปลาเลยถึงจะถือว่ามันเกิดผลรุนแรงก็ต้องบอกว่าไอ้ความรุนแรงในระดับกายวาจาใจเนี่ยถ้าพูดเราจะบอกว่ากายรุนแรงนะก็ก็คือมันเป็นอันหนึ่งการปรุงแต่งอันหนึ่งนะอ่ะรุนแรงที่จะมีผลกระทบต่อคนอื่นใช่ นะเราก็ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาเกิดมาจากใจนะพระเจ้าเคยบอกว่าใจเนี่ยจริงๆแล้วรุนแรงกว่าสําคัญกว่านะคือที่คุณาบังคับกายไม่ได้นะคุณบังคับกายได้แสดงว่าคุณบังคับใจได้ระดับหนึ่งแต่มันยังมีส่วนวาจาที่ที่เรายังควบคุมไม่ได้แสดงว่าใจเราก็ยังควบคุมไม่ได้นะประเด็นที่ต้องการควบคุมคือเรื่องของใจเนาะอ๋อคือเหมือนกับว่าทุกอย่างสัมพันธ์กับใจหมดใช่ ดังนั้นถ้าเราควบคุมวาจาได้ก็คือเราควบคุมใจได้ใช่หรือว่าเราควบคุมใจได้เราก็ควบคุมวาจาได้ถูกต้องถูกต้องอบางคนอาจจะคิดว่าฉันควบคุมกายได้แล้วน่าจะจบแต่ยังควบคุมวาจาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นคือเราต้องการควบคุมใจนซึ่งซึ่งถ้าคุณควบคุมใจได้กายคุณควบคุมได้อันนี้ดีอยู่แสดงว่ายังมีส่วนหนึ่งของใจบางส่วนที่คุณยังควบคุมไม่ได้ทําให้วาจาคุณควบคุมไม่ได้นั่นเองค่ะก็ลองคิดตามนะคะ ไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดทั้งนั้นเล็กเล็ ก, ลกน้อยๆบางทีเราจะโต้อตอบกับใครสักคนหนึ่งเราอาจจะจับได้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วกำลังเสียสีเขาอยู่ <laughs> แปลว่าผ่านกระบวนการคิดที่เจ้าเล่ห์เนี่ยอย่างรวดเร็ว ใ, ให้เขามีความรู้สึกเหมือนตอบธรรมดาแต่จริ ง, รงๆแล้วในใจนั้นฉันด่าเธออยู่นะ แ ล, แล้วอย่างดูเราอย่างง่ายๆสมมุติว่าถ้าจิตเรามีโทสะอยู่อย่างเงี้ยกูอาจจะโกรธเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งไม่รู้มาจากไหนละกลับมาถึงบ้านอย่างเงี้ยลูกลูกถามแนะพ่อเป็นไงด่าลูกเฉยเลยนะมันเพราะว่าจิตมันมีโทสะอยู่ในภายในมีอะไรมากระทบปุ๊บวาจามันไปก่อนละมิจฉาวาจาละอันนี้คือต้องระวังว่ามันอยู่ที่ใจค่ะคือเวลามีความเครียดครัดบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราเสทีทีเดียวเราเป็นกองเชียร์เนี่ยออืก็เพลอนะคะ ดาคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจอร์เนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยโดยเราคิดว่าไม่มีอะไรอะ่ะเราก็ว่ากันไปเขาเล่นกันทะเลาะ ก, กันแต่เราเชียรนะ์น่ะอืมเราเชียร์แล้วเราอินอะ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องของเราเองเขาด่าหน่อยไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยมันก็จะรั่วตรงนี้นะรั่วตรงนี้ถ้าตรงนี้ยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์นะี่มันก็จะไปต่อที่ที่จะไปต่อเนี่ยมันก็จะยังค่อยอยู่ตรงนี้อยู่ยังไปต่อได้ไม่มากเท่าไหร่ นะคะดังนั้นอย่าคิดว่าการที่เราพูดไปพูดไปไม่ได้มีการกระทําติดตามมาจะเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของกรรมที่หนักกว่าในบรรดากายวาจาใจในบรรดากายวาจาใจทั้ง3อย่างก็คือใ จ, ใ, จใช่ใช่ถูกต้องและการที่เราใช้วาจาที่เป็นวาจาไม่สุจริต ที่แท้คือใจไม่สุดจริตใช่ยังมีส่วนของใจที่ยังมีความพยศอยู่มีความเศร้าหมองอยู่แน่นอนค่ะและทีนี้ถ้าเกิดเราไม่คิดไปไมุตุดหลุดพ้นพวกนี้ก็ทําให้เราสงบเย็นได้ใช่ะเราจะมีความสุขในปัจจุบันคือบางทีบางคนอาจจะเห็นว่าโอ้โหอยู่บนภูเขากว่าจะไปถึงทะเลโอ้ฉันไม่ไหวละไม่อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําถ้ามันอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ตรงนั้น แตถ้าเราทําได้ตรงไหนก็ตามเราก็ได้รับความสงบความเย็นตรงนั้นเอาอย่าง <Okay. S 1> แค่เอาแรกสุดคือคบคนดีคุณคบคนดีเป็นเพื่อนเนี่ยยังดีกว่ามีคนชั่วเป็นศัตรูนะ mm hmm. อ๋อ ฟ, ฟังให้ดีนะคบคนดีเป็นเพื่อนินดีกว่ามีคนชั่วเป็นศัตรูมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> เราควรจะต้องคบเพื่อนดีมันดีกว่ามันได้ประโยชน์ชัดเจนเห็นเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรอไปถึงทะเล นไม่ต้องรอไปถึงวิมุตต์หลุดพ้นอ่ะเอาแค่ว่าถ้าคุณโค้คนดีวิชาวิมุตต์เอาไว้ก่อนก็ได้มันก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นพุ้ทวจนะมีไหมคะที่อบอกว่าให้ถ้าไม่มีอะไรนะคะมีเพื่อนไม่ดีเนี่ยสู้อยู่คนเดียวดีกว่าอ๋อถูกต้องอได้เคยตรัสไว้ตอนที่เมืองโกสัมพีตรงที่ว่าถ้าไม่มีคนที่จะอยู่ร่วมกันเป็นบัณฑิตอยู่ได้เนี่ยเที่ยวไปคนเดียวเหมือนช้างมันตากาดีกว่าอ๋อนะคะ และคำถามสุดท้ายนะคะก่อนที่จะลาท่านก็คือว่าผู้ที่ฟังรายการเนี้ยฟังมาแล้วก็จะเจอที่ไปที่แปลกแปลกไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ในการที่พูดท้งทุกวันเลยคือไปวิมุติไปหลุดพ้นเนี่ยถ้าฟังรายการธรรมะแล้วไม่อยากไปวิมุตไม่ไปหลุดพ้นได้ไหมคะมันเสียหายอะไรมากไหมคะเออก็ไม่มีปัญหานะถ้าคุณทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ปัจจุบันนะ คือคนบางอาจจะคิดว่าเราไม่ต้องไปรีวิวหลดพ้ น, พนแต่ถ้าคุณยังให้ทานอยู่เนยังมีเมตตามีความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่เนไม่ต้องหวังนิพพงนิพานอะไรก็ได้ไม่รู้เรื่องเอาไว้ก่อนแต่แต่ถ้าคุณทําดีปัจจุบันเนีให้สบายใจได้เลยนนนเน้นคือมาถูกทางแล้วค่ะก็ไม่ได้ทําให้เสียโอกาสอะไรท<ช>ําแค่ไหนก็ได้ประโยชน์แค่นั้นอืนได้แน่นอนตูต่างสร้างเหตุเกิดผลนะคะวันนี้ก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะบานมัสการค่ะ ท่านฝังที่ครบรบค่ะรายการนี้ฟังๆไปท่านก็เอาไปาประยุกต์กับการที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็มองทะลุให้เห็นธรรมหมดเมื่อกี้นี้ท่านพิบูนได้พูดถึงว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเหตุเป็นอาหารของวิชาและมิมุติปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เป็นเหตุผลซึ่งการะการะนะคะคือสร้างเหตุอะไรก็เกิดผลอย่างนั้นแน่นอนเนี่ยเด็กคิดว่าท่านก็ จะได้เห็นว่าเพราธรรมะนี่มีทั่วไปหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้จริงๆก็จะได้สบายใจนะคะมนุษย์เราถ้าเราจะต้องเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลมารองรับดิฉันไม่เชื่อคะ่ะว่าเราจะเชื่อได้อย่างสนิทใจเราจะเกิดความศรัทธาไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าการเป็นเหตุเป็นผลนั้นปรากฏขึ้นจริง นะคะและดิฉันเชื่อในคำสอนของพระศาสดาติดตามรับฟังรายการสันสนิสนทนาโดยสันสนีษนาาคพงศ์กันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106แห่งนี้วันนี้ก็ได้เวลาที่จะนัดหมายพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตีห้าเหมือนเดิมนะคะพุทธสวัสดีค่ะ